วันนี้ผมจะขอพูดเข้าประเด็นธรรมะก่อนเรื่องการประชุมอย่างอื่นเมื่อพูดจบลงไปแล้วค่อยว่ากันไปอีกหารือกันอีกเรื่องต่อไปนับว่าจวนจะออกพรรษาแล้วพรรษาปี2549ยังอีกไม่กี่วันวันนี้เป็นวันที่ห้า วันที่เจ็ดตุลาสี่เก้าก็เป็นวันประวัรณาออกพรรษาเพราะนั้นวันนี้จึงว่านัดหมู่เพื่อนมาประชุมพราะนอกจากนี้ไปก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไประชุมกันเพราะว่าเมื่อออกพรรษาแล้วเราก็จะมีกรถินกรถินวันที่แปดเมื่อกรถินจบลงไปแล้ว ผู้พวกเพื่อนบางองค์ก็จะได้แยกย้ายกันที่ได้ตั้งปกตั้งใจเอาไว้ที่ว่าเป็นพระนว ก, กะที่จะบวชสามเดือนก็ครบกําหนดสามเดือนแล้วก็คงจะแต่แยกย้ายกันพัดพลาดจากกันทั้งทางเป็นและทางตายการพัดพลาดกันนะทั้งทางเป็นและทางตายตายและพลาด ก, กันแน่แต่เป็นก็ยังพลากกันอยู่แต่มีโอกาสที่จะมาพบมาเจอกันได้อีก วันนั้นวันนี้จังได้ถือโอกาสมาประชุมหมู่พวกเพื่อนทั้งผู้จะอยู่ทั้งผู้จะไปแล้วก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านผู้จะอยู่ก็ตั้งใจอยู่ผู้จะไปก็ได้ตั้งกําหนดเอาไว้แล้วว่าจะไปแต่ว่าถึงยังไงก็าตามคู่ที่เข้ามาบวชที่แรกว่าจะบวชเพียงสามเดือนแต่ถ้าหากว่าพิจารณาดูแล้วว่า เราออกไปก็ไม่มีธุระอะไรที่จะต้องจัดต้องทําในช่วงนี้ขณะนี้เราจะอยู่นานเราจะอยู่ต่อไปศึกษาปฏิบัติธรรมทางด้าน จ, จิตใจต่อไปอีกก็ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดารงทรงศ า, าสนามาท่านคงเป็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นองค์หลวงตาเป็นต้นก่อนที่ท่านจะบวช ท่านก็หมายมั่นปั้นมือออกพรรษาแล้วท่านก็คงจะลาสิขาอย่างเนี้ยอืจนได้พูดกับแม่ไว้ว่าถ้าจะให้ผมบวชผมก็จะบวชให้แต่จะมากําหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อบวชแล้วจะให้อยู่เท่านั้นเดือนเท่านี้ปีเออกําหนดให้ผมผมจะไม่บวชโยมบรรดาของท่านก็บอกว่าเอาเลยแม่ไม่ว่า ข้อสำคัญให้บวชให้แม่เห็นทราผ้าเหลืองก็แล้วกันถ้าบวชออกมาแล้วออกมาจากบวชแล้วจะศึกเลยแม่ก็ไม่ว่าเนียอันนี้ก็คือเป็นความเคิดเห็นแต่ทีแรกที่องลงตาก่อนบวชท่านได้คิดอย่างนั้นแต่พอท่านบวชเข้ามาแล้วเท่นี่ในสามเดือนนั้นท่านได้ศึกษาในธรรมปฏิบัติทั้งศึกษาพุทธประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาสาวกประวัติคือประวัติของพระสาวกที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกประวัติคือในชีวประวัติของพระโมคคัลลาสาลีบุตรพระ อ, อนุนพระมหากัปปะสปบกอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้ศึกษาจากนั้นก็ได้ศึกษาแนวทางในภาคปฏิบัติว่าความเป็นไปได้เรื่องจิตภาวนา ท่านก็บอกว่าในพรรษานั้นจิตของท่านได้รับความสงบพอสมควรแต่ก็ไม่มากแต่รู้รสแห่งความสงบเพราะฉนั้นทําให้ท่านมีจิตใจมุ่งมั่นในระดับหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ลาอุปชาอาจารย์ไปอยู่อีกวัดหนึ่งจากนั้นท่านก็ได้ตั้งอกตั้งใจภาวนาบ้างจากนั้นก็เข้า ไปได้รับการเรียนก็ไปรับการศึกษาจากนครราชสี ม, มาจากนั้นก็เข้าสู่กรุงเทพในชีวิตของท่านเบื้องต้นท่านก็ไม่ได้ตั้งต้นไม่ได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะอยู่ปวดเข้ามาแล้วจะอยู่ในพระพุทธศาสานาเป็นอนันตาการท่านก็ได้ตั้งจิตได้มีความตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ผลที่สุดทุกวันนี้ท่านอายุเท่าไหร่ เก้าสกว่าปีท่านดำรงทรงศาสนามาโดยตลอดยึดมั่นในแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึดแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เบื้องต้นท่านก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าจะถือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติธปฏิบัติมาก็พวกเราก็ควรจะ มีแนวคิดอย่างนั้นแต่ถ้าหว่าพวกเรา่ถ้าอยู่ไม่ได้อันน้ก็เป็นบุญวาสนาบารมีของแต่ละคนจะ ก, ก้างกันกันไม่ได้แต่ถ้าว่าผู้มีบุญวาสนาบารมีแล้วมันจะมองเห็นไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้ไม่มีบุญวาสนาก็ต้องมองอีกในรูปอีกแบบหนึ่งอะอันนั้นมันออกมาจากจิตใจของแต่ละท่าน่ะไม่ว่ากันแต่ถึงยังไงก็ตาม พวกท่านทั้งหลายได้มาบวชกับผมมาอยู่กับผมสามเดือนกว่าๆตั้งแต่ริเริ่มเป็นหน้ามาจนถึงบัดนี้ผมเองก็ไม่ได้หนักใจกับพวกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ก็เป็นที่เบาใจเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายทุกองเป็นผู้ทั้งอกทั้งใจในสายตาของผมแล้ว ว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจทุกทุกท่านที่มาบวชที่ผมเห็นพระในพรรษาปี2549นี้ผมเองไม่ได้นักปกหนักใจกับการเป็นอยู่ของพวกท่านผมเห็นพวกท่านเป็นผู้ตั้งใจในกิ จ, จวัดข้อวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผู้มุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างอดอาหารอย่างนี้ก็ได้เห็นพวกท่านทั้งหลายกระทำมาโดยตลอดอันนี้ก็คือเห็นเป็นรูปประธรรมส่วนนามธรรมานั่นผมก็คิดว่าเมื่อท่านพวกท่านมีความมุ่งมั่นในการอดอาหารอย่างนี้แล้วในจิตับภาวนาส่วนลึกลงไปคิดว่าพวกท่านก็คงจะตะเกียก ต, ตะกาย คงจะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไใม่น้อยจึงได้มีความอุดสาหะวิริยะที่จะอดอาหารเพราะการอดอาหารทวมากไปแล้วไม่ใช่ของทำได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะมันเป็นการต่อสู้ทางร่างกายมีความหิวเป็นพื้นฐาน แต่ถ้าว่าพวกเรายังมีความอุดสาหะวิริยะพยายามอดอาหารเพื่อบําเพ็ญทางกิจตภาวนาผมว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเอาจริงาบางท่านอดอาหารเกือบยี่วันก็มีพระใหม่ผมว่าอันนี้ก็เป็นที่น่าจกย่องนับถือเหมือนกันแต่ว่าการอดอาหารที่จะได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหน จิตจะเข้าสู่ความสงบมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงยังไงผมว่าก็ได้ความอดทนเมื่ออดอาหารไปแล้วท่านก็ไม่ได้เสียเอ ว, วัยวะอะไรก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไร เ, เปลี่ยนตวัดการอดอาหารเป็นการทดลองเป็นการทดลองเป็นการทดสอบ เ, อเป็นการบําเพ็ญทางจิตใจดูว่าใจของเราจะเข้มแข็งมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นการ บำเพ็ญเป็นการทดสอบทดลองขันติบา ร, รมีของพวกเราแต่พวกเราท่านทั้งหลายทําได้ขนาดนั้นผมก็นับว่าผมคิดว่าทางท่านจิตใจของพวกท่านคงจะมีความมุ่งมั่นไม่น้อยเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้ผมเคยทํามาแล้วผมเคยผ่านมาแล้วผมเคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเพราะนั้นผมรู้ดีว่าการสู้ทางด้านจิตใจนั้นเป็นยังไง แหม่ไม่ใช่ว่าจะอดธรรมดาล้อดให้หิวเฉยๆโดยที่ไม่ได้บาเพ็ญทางด้านจิตใจนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้อันนี้ผู้ที่อดอาหารนั้นต้องดูใจตัวเองพอสมควรเอาชนะใจตัวเองพอสมควรจึงจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้แสดงออกที่ให้หมู่เพื่อนได้เห็นในการประพฤติปฏิบัติหรือในการเอาจริงเอาจางังสําหรับ การบําเพ็ญกายวาจาใจของพวกท่านนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ทีนี้เมื่อเมื่อเราบวชเข้ามาก็ได้บําเพ็ญอย่างเต็มที่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจมาตั้งแต่คราววัดแล้วก็พร้อมกันก็ได้บําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อทดแทนพระขุดบิดามารดาครูอุปชัยอาจารย์ปู่ย่าตายายก็จะสิ้นสุดลงแล้ว เพราะจะได้ไปตามการเวลาเพราะว่าชีวิตของพวกเราก่อนที่จะบวชก็ได้ตั้งตั้งใจว่าจะบวชเพียงเท่านั้นวันเท่านที้เดือนจะต้องได้ออกไปเป็นคราวาสอย่างเนี้ยแต่บัดนี้ก็จวนเข้ามาเต็มท้นแล้วถึงยังไงก็ตามเมื่อพวกท่านทั้งหลายออกไปเป็นคราวาสก็ให้ตั้งอยู่ในคราวาสธรรมธรรมของคราวาสอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาศึกษา อย่าให้เป็นที่ว่าเมื่อเข้ามาศึกษาก็เป็นผูตั้งอกตั้งใจพอออกไปก็เป็นคนดิบคนดีและอีกต่อไปไม่นานความดีที่เราได้สั่งสมมา น, นั้นหายหดไปหมดไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราได้พิจารณาดูแล้วเมื่อเราออกไปเราควรจะทาตัวอย่างไร ในเมื่อออกไปแล้วเราก็ควรจะทําให้มีสัจจะให้มีขันติให้มีความเพียรให้มีความอดทนในการประพฤติปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีตั้งกายวาจาใจของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องอย่าให้ล้มลุกคลุกคลานอย่าให้เป็นไม้ปักขี่เลนอย่าไปให้เป็นเหมือนกับเรืออยู่กลางมหาสมุทรไม่มีสมอยึดเหนี่ยวเควงคว้างไปหมด อย่งนั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเมื่อออกไปสู่คราวาตัตแล้วก็ให้เอาจริงเอาจังตะงอกตั้งใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมว่าเรื่องสุรานะผมขอเตือนผมขอบอกพานว ก, กะที่จะไปสู่คราวาตัต เ, เหมือนกับเราจะเข้าไปสู่ศึกสงครามอย่างนั้นแหละผมเป็นห่วงเพราะนั้นผมในฐานะเป็นอาจารย์ อผมขอบอกกล่าวเตือนพวกท่านว่าเรื่องสุราถ้างดได้งดดีที่สุดเไม่ดื่มพวกบงุงพวกเบียรอะไรก็ตามเอให้มดได้ดีที่สุดเพราะสุราเป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่วหลายๆอย่างเมือนเราดื่มสุราเข้าไปแล้วอทั้งนารีก็เข้ามาอบายยมุเ่นการพนันอะไรก็เข้ามาความชั่วหลายๆอย่าง การปนการจีการรักการขโมยเกกะละรานออกมาจากตัวนี้มากเพราะฉะนั้นถ้าว่าเป็นไปได้ผมว่าควรจะตั้งจิตอนธะิษฐานตั้งแต่ออกจากวัดข้าพเจ้าจะงดไม่ดื่มโซราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มีสัจจะในตัวเองด้วยอย่าโค6นะถ้าว่าโกหกเข้าไปแล้ว เพื่อเพจะเกิดความวิบัติขึ้นมาทำให้จิตใจของเราปั่นป่วนอีกต่างหากแต่เราต้องคิดให้ดีซะก่อนก่อนถึงจะตั้งคำสัตว์นี้ออกไปถ้าตั้งออกไปแล้วคำไหนก็ตามต้องเป็นคำนั้นอย่าให้เป็นลักษณะมวยล้มโกหกตนเองนะเพราะนั้นผมว่าในเรื่องตัวนี้ควรจะซ้ำเหนียกซ้ำนึกเอาไว้ถ้าว่าหลวงพ่อ สมมติหลวงพอ่ออไปเป็นฆราวาสอย่างพวกผมเนี่ยหละเมื่อสื่อออกไปแล้วหลวงพ่อจะทำอย่างไรหนะลวงพ่อจะทำอย่างไงอย่างที่พวกผมเป็นฆราวาสออกไปเนี่ยหลวงพ่อจะทำอย่างไงแต่ในสมมติว่านะอสมมติหลวงพ่อเป็นอย่างพระที่ลูกหลานจะได้ลาสิกขาไปนี่แหละหนะลวงพ่อจะทําตนอย่างไรอันดับแรก เราก็ต้องระลึกถึงเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งไว้ในใจอันนี้คือยึดเหนี่ยวในใจว่าเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาบวชสามเดือนนี่เราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติยึดแนวแถวภาคปฏิบัติระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณเราเชื่อมั่น ว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ายึดแนวแถวพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวแถวดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเราจะยึดมั่นอย่างนั้นจากนั้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นอะไรก็ตามเราก็ถือว่ากรรมกรรมเก่าของเราเราคงจะทำกรรมไม่ดีเอาไว้ในอดีตทว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ได้ถือว่าผีสางนางไม้ไม่ได้ถือว่าอะไรมาทำเราเราถือว่าเราทำเราเองว่าเราทำกรรมไว้ในอดีตเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราทำลายเราทาร้ายสัตว์เราเบียดเบียนสัตว์เพราะนั้นสุขภาพเราจึงไม่ดีอันนี้เราจะยึด เราจะเชื่อในกลัมเชื่อในผลของกลัมเราจะไม่นับถือพูดผีปีศาจเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราจะไม่นับถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นเราก็รับรู้รับทราบรแต่จะให้เรานับถือเป็นพุทธทางธรรมังสังฆ์นับถือว่าเป็นชีวิตจิตใจนั้นเราจะไม่นับถือเราจะไม่นับถือพูดผีปีศาจสารพระภูมิ จะเป็นสารใดก็ตามเราจะไม่นับถือแต่ว่าเราเคารพเอ่อเคารพนั้นไปคือเคารพเหมือนกับเคารพไวยวุฒิคุณวุฒิอย่างงั้นน่ะแต่จะให้เรานับถือเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆเราจะไม่นับถือเพราะสิ่งเหล่านั้นศ า, า, านนสานาเหล่านั้นศาสนาเหล่านั้นในหลักของพุทธศาสนาเรามองว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะยังให้โทษให้คุณอยู่อย่างพระภูมิอย่างเทวดาพระพรมอะไรก็ตาม พระพรมก็ยังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีราคะโทสะโมหะพระอรหันต์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์มีแต่พระคุณอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงยึดนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางเดินชีวิตของพวกเราอันนี้ก็คือเมื่อเราออกใหม่ เราต้องจึดแนวแถวนี้ก่อนจากนั้นเมื่อออกไปเป็นครวาดแล้วเราก็จะตั้งอยู่ในคราวาสธรรมให้ความนับถือพ่อแม่พ่อแม่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณได้เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับตัวของเราร่างกายตั้งแต่หวัวจุดเท้าเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นเราจะมองพ่อแม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้เราต้องจึดพ่อแม่เป็นเทวดา เป็นพรหมเป็นบุพก า, ารย์ของเราอยู่ในใจลึกๆถึงยังไงถึงเราจะไม่แสดงออกก็ตามในใจของเรานั้นจะกราบไหว้บูชาพระคุณของพ่อแม่กราบไหว้บูชาพระคุณของพ่อของแม่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็จะระลึกถึงกราบไหว้ยอยู่ในใจพทุทโธธรรมโมสังโฆขอกราบไหว้คุณบิดามารดาคุณครูปราชญ์อาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลาย อันนี้เราก็กราบอยู่ในใจของเราอันนี้คือก่อนลับก่อนนอนสมมุติว่าอา้าอย่างออกไปวันเนี้ยอตอนเย็นมาเราจะทํายังไงอถ้าไปพบหมูพภคเพื่อนเอเรื่องสังสรรค์กินเหล้าเมายานั้นเราจะไม่สังสรรค์โดยเด็ดขาดถ้าเราหมูพภคเพื่อนมาเออเอาหมูพภคเพื่อนมาเหรอก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ําเลี้ยงอะไรธรรมดาเอ้ยผมขอไปปวดในพุทธศาสนา ผมได้ศึกษาแล้วจะให้ผมเลี้ยงเล่าเลี้ยงยาจะให้ผมตกกระทำลำบากเนะผมได้ศึกษาแล้วจะเอาคุณงามความดีของผมมาปูยี่ปูย่ากับสิ่งที่มันไม่ดีที่ได้ศึกษามาแล้วก็เหมือนเป็นการเหยียบย่ํเาเหยียบย่ําตัวเองที่ได้ทํามาได้ประพฤติปฏิบัติมามันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งสําหรับตัวของผมเองแต่ถ้าหมูพวกเพื่อนจะกินอะไรก็ไม่ว่ากันผมก็ไม่ว่าแต่สําหรับตัวของผมแล้วผมขอ ผมจะไม่ขอทำเพราะการทำคือการเหยียบย่ำที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วตั้งสามเดือนมาแล้วจะมากินสลองแล้วก็มาเหยียบย่ำเพราะครูบาอาจารย์พราะพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านสอนแล้วสินห้าประการสาหรับครวาดเราก็รับไปหมาดๆรับไปสดๆแล้วไปถึงเจะไปทำลายทั้งที่รู้รู้อยู่ ไม่สมควรกับผมอย่างยิ่งเพราะนั้นผมต้องเคารพอันนี้คือเราจะต้องพูดอย่างนั้นไม่บัวไม่ช้นนาน้ําไให้ขุนเพรางั้นะจากนั้นต้นเย็นมาเราก็จะไหว้พระทุกวันตั้งแต่วันศึกไปอรหังสัมมาสัมพุทธโทธนโมตัสสะ พ, พุทธทงังธรรมังสังขัง เ, เราพูดอย่างสวดอย่างเมื่อกี้เนี่ยได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยนับวันดีมากแต่อัจฉมยาเราไม่ต้องสวดก็ได้ อหสวดชาราธมโมหิไปอหังสุขิโตโหมหิจากนั้นก่อนเนี่ยแผ่เมตตาอันสุดท้ายอ่ะฉัพเพสัตตาสดาหนตุนะเราก็สวดอันนี่เป็นการแผ่เมตตาจากนั้นเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วนะเราก็นั่งภาวนาอันนี้คือชีวิตประจำวันนะประจำวันในฝ่ายดีและส่วนฝ่ายการงานนั้นเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึง อันนี้คือชีวิตประจำวันในฝ่ายพัสสัตนาฝ่ายจิตใจหาอาหารให้ใจว่างั้นเอออาหารกายอาหารใจเราให้รู้ให้แยกให้ออกว่าอาหารกายนะั่นพวกเราควรจะทำยังไงอันนี้ผมพูดอาหารใจก่อนนี่อาหารใจน่ก็คือเนี่ยก่อนหลับก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนจากนั้นก็นั่งภาวนากับหลอดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาที ตามการเวลาอันเหมาะสมนะจากนั้นยะค่อยหลับค่อยนอนต่อไปอันนี้ก็คือตอนหัวคำ่ำพอตื่นเช้าอพอนอนตื่นขึ้นมาตีสี่ตีห้าจวนจะสว่างแล้วก็ควรจะลุกมานั่งภาวนาก่อนพอมานั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทีก่อนที่จะลุกไปทำการทำงานก่อนที่จะทำงานบางทีอยู่ในเมืองในกรุงบางทีอาจจะลุก ระยะเดินทางไกลอย่างนี้อาจจะตีสามขกว่าลุกขึ้นมานั่งมานั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทีแต่ถึงยังไงก็พยายามจะไม่ให้ขาดพอนั่งภาวนาจบแล้วเราก็มาไหว้พระอระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมทัสสะพุพทธังธรรมังสังขังจากนั้นก็แผ่เมตตาจากนั้นก็ลุกมาทำกิจวัตรแปลงฟันอาบน้ำอะไร ในแต่งตนแต่งตัวไปทําการทํางานในเมื่อไปทําการทํางานเราก็จะสํารวมระวังไว้อยู่เสมอว่าเราจะตั้งตนเป็นคนดีเราจะมองตนเองอยู่เสมอเราจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฮหริคือความละอายแก่ใจเราจะคิดไว้อยู่เสมอโอตปาคือความกลัวต่อบาปเราจะไม่ทํา เราจะมองเขาจะมองเรามองเพื่อนมนุษย์ชาติเขาก็กลัวตายเขาก็กลัวทุกเขาก็กลัวเบียดเบียนเขาก็กลัวเอารัดเอาเปรียบแต่เราคนหนึ่งเราก็กลัวอย่างเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอารัดเอาเปรียบเราจะไม่คดไม่โกงเขาเราจะทําให้ดีที่สุดนะเท่าที่จะดีได้อันนี้ก็คือเราทําสิ่งไหนก็ตาม อาชีพไหนก็ตามที่เราดูแล้วมันจะเป็นมิจฉาชีพผิดต่อหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจุดนั้นเราก็พยายามหลีเกเลี่ยงเราหาวิชาอาชีพอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาทำํำแต่ว่าการทําการทํางานของเราเราก็จะพยายามทําให้ดีสุดหมั่นขยันอดทนไปอยู่ที่ใดก็ตามเราจะไม่ให้ใครหนักใจกับเราเราจะให้ใครทุกคนรักเราเพราะเรา ทำหน้าที่การงานด้วยความสุดจิตไม่ให้หนักใจของนายจ้างไม่ให้หนักใจของลูกน้องไม่ให้หนักใจใครๆทั้งหมดในเพื่อนร่วม ง, งานสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ในใจอยู่เสมอสําเหนียกว่าอยู่เสมอว่าเราจะไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหนักใจกับเราจากนั้นเราก็คิดอยู่เสมอว่าวิชาอาชีพที่เราทําไปเนี่ย เป็นวิชาชีพเป็นสัมมาชีพหรือเป็นมิจฉาชีพถ้าเป็นมิจฉาชีพเราจะไม่ทําเพราะชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากไปเมื่อไหร่เราจะไปมุ่งหวังแต่โลกาภิษฐมุ่งหวังแต่เงินแต่คำทรัพย์สมบัติอย่างเดียวองค์มไม่ได้เราควรจะมุ่งหวังทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราด้วยแตไม่ใช่ว่าเราจะไปมุ่งหวังแต่เงินคําทรัพย์สมบัติภายนอกเท่านั้น อาหารใจของเราเราควรจะมองไปพร้อมๆกันสรุปแล้วก็คือเราให้เป็นคนดีคิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นถ้าว่าเรามีครอบมีครัวเราก็พยายามให้อยู่ในกรอบต้องมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามองสูงมองต่ามองให้รอบด้านไม่ใช่ว่าเอาตาม กิเลสตันหาหรือว่าความต้องการของตนเองเราต้องมองพ่อมองแม่มองผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นที่พอใจเป็นที่ถูกต้องไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมองในเมื่อเราเอามาเป็นคู่ครองเอามาเป็นเพื่อนชีวิตของเราแล้วเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ไหมอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดเหมือนกันถ้าเอามาแล้วเป็นพิษเป็นภยัยไม่ลงรอยกัน ตัวของเราน่ยจะต้องเป็นทุกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครที่จะเป็นทุกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไงไต่ตรองดูด้วยเหตุด้วยผลให้ชัดเจนให้ท่องแท้ให้มองไกลใช้วิสัยทัศน์ให้มองไกลๆอย่าไปมองใกล้แบบสุกเอาเผากินแบบง่ายๆเราต้องมองให้รอบด้านมองให้รอบทิศมองพ่อมองแม่มองพี่มองน้องมองวงสาคนาญาติมองภาษาสนา ให้มองศาสนาด้วยนะอถ้าหากว่ามันผิดมันงัดมันง่างกันตัวของเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องดูดูให้รอบพิศก่อนที่เราจะมีคู่ครองอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะว่าหลวงพ่อบโบในเมื่อหลวงพ่อเป็นคระาวหลวงพ่อจะทําตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดอย่างนี้ขึ้นมาให้พวกท่านทั้งหลายพวกพระลูกพาลาน พวกที่จะไปสู่คราวาัดจะดำรงตัวอย่างไรเนี่ยนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะคิดให้รอบคอบตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นม า, าก็หน้าที่การงานอย่าให้ขาดตกบกพร่องทามาหาเลี้ยงชีพบุทธานะสัมปทาอารกคะสัมปทาการยานามิตตาสัมมายชีวิตตาทั้งสี่อย่างนี้ เราจะพยายามให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พิธธรรมมิตรประโยชน์คือประโยชน์ภายหน้าอีกทานศีลภาวนาอันนี้เราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องอีกเพราะเราจะได้เดินทางต่อไปภายภาคหน้าอันในสงในการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเรียกว่าคารวัตธรรมที่เรารำลำรงทรงอยู่เราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเมื่อเราเป็นลูกพ่อแม่ เราเป็นลูกเราควรทำตัวอย่างไรอันนี้เราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอทำกิจติระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มะระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ลูกเราจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องอนี่แหละชีวิตของครวะที่ผมได้เล่ากล่าวเป็นการ แนะนำสั่งสอนแต่ตามไม่จริงอันนี้ที่ผมสั่งสอนนี่ก็มันถ้าจะว่าไปแล้วก็คือยกระดับสูงแต่ว่าจะให้ทําได้ทุกอย่างที่ผมได้กล่าวไปนี้ก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ผมก็พูดอย่างนั้นเออแต่ว่าให้เขาก็เขียนไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานถ้าทําได้อย่างที่ผมพูดนี้เลิศประเสริฐแต่ถ้าไม่ได้ถึงขนาดนี้ แต่ย ใ, ให้มันย่อนจนเกินไปจนไม่มีอะไรติดตัวเชลเลยก็คงจะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่จะทําตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมในฐานะและการเป็นอยู่ของเราเพราะว่าการ ว, วิชาชีพของพวกเราไม่เหมือนกันทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนทําราชการงานเมืองทำมาค้าขายมีหลายๆอย่างบริษัทห้างร้านอย่างนี้เป็นต้น เพราะนั้นการที่จะทําให้เสมอการ น, นั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ตามที่ผมได้พูดไปนี้ก็คือเป็นแนวทางแนวความคิดสําหรับพวกเราท่าทั้งหลายใช้หลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นแนวทางเดินสําหรับพวกเราแต่จะให้พวกเรา เดินได้ทุกกระเบียดนิ้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วแต่ว่าถึงยังไงก็ตามขอให้พวกเรามองอย่าให้มันเดินเป๋จนเกินไปพอออกไปเป็นคราวญไม่กี่วันกินเหล้าเมายาตารำตาแดงอย่างนั้นผมว่ามันเกินไปมนปันเป็นการเหยียบยำ่ำขาดความเคารพในการเข้ามาศึกษา เพราะนั้นที่เข้ามาศึกษาสามเดือนเราได้ศึกษาอะไรบ้างหรือเราไม่เชื่อในจิตใจเเลยถ้าเราไม่เชื่อในจิตใจเเลยมันก็อย่างว่าแต่ถ้าเราเชื่อในจิตใจอยู่เราก็ควรจะมีวินยัยหาวิธีการจะพยุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติดีแล้วไม่มีหายณนะมีแต่ความเจริญงอกงามเ้ามาสู่จิตใจครอบครัว ตัวของเราเองนั่นแหะเพราะนั้นที่ผมได้กล่าวทั้งหมดนี้ก็คือถ้าว่าวันพระเป็นไปได้รักษาสินห้าได้ไหมถ้ามากกว่านั้นรักษาอุโบสถได้ไหมถ้าว่ามากกว่านั้นถ้าวิชาอาชีพของเราไม่ล่อแหลม เ, เกินไป เราก็รักษาศีลห้าตลอดชีวิตได้ไหมถ้ารักษาศีลห้าตลอดชีวิตได้ผมว่านั่นแหละเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมเป็นที่ยอมรับของคู่คนที่มาเกี่ยวข้องถ้าเราทําอย่างนั้นได้ถ้าเราจะทําเสียอย่างก็คงจะไม่มีปัญหาอย่างโยมพ่อของผมเองอายุ35ปีท่านจะรักษาศีลห้าทั้งที่ท่านอยู่บ้านนอกขอกคาเมอาหารการบริโภค ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองไม่ไดม้มีตลงตลาดท่านก็ยังรักษาศีลหาได้ตลอดรอดฝังถึงอายุเก้าสิบกว่าปีจึงได้จากไปเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยทางว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามก็ไม่เหลือวิสัยที่พวกเราจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ตัวของเราได้ถ้าเราเห็นโทษ เ, เห็นโทษในการเป็นอยู่ว่าชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่รู้พวกเราจะจากพวกนี้ไปเมื่อไหร่ถ้าเราเห็นอยู่อย่างนั้นอยู่ในจิตในใจพวกเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราควรจะดำเนินปฏิบัติตามแนวแถวนั้นแล้วก็พวกเราจะประสบความสงบพร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะ อันนี้ก็คือชีวิตประจำวันของพวกเราและการเป็นอยู่ของพวกเราสรุปแล้วก็คือให้มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อตนเองต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะให้ใช้ปัญญาพบทวนดูเหตุและผลมองให้รอบร้านรอบทิศมองสูงมองต่ำอย่างที่ผมว่านั่นนะจะให้มันมีปัญหา นั่นแหละชีวิตของพวกเราสรุปแล้วก็คือโบราณเรียกว่าคาเราวาสคาหลายวาสหลายวาดหลายเชิงหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายเรื่องหลายรานานับประการเมือ น, นั้นเป็นคราวาตเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกไปสู้ออกไปเป็นคราวาัตเพราะนั้นเราควรจะเตรียมตัวให้ดีพอสมควรถ้าว่าเราเตรียมตัวไม่ดี ออกไปเป็นครวาเนี่ยจะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ในยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศชนะเสริญสุขได้ยากเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมและ ก, การบริหารจัดการกับตนเองการบริหารจัดการกับการเป็นอยู่ของเราการบริหารอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าเนี่ยนะการหาเงินคำทรัพย์สมบัติสิ่งนั้นก็จำเป็นสำคัญแต่หามาได้มากแล้วบริหารเงินไม่เป็น ไม่ให้เงินเหลือมีแต่เงินขาดมาเท่าไหร่ใช้หมดการใช้เกินกว่าที่ตนเองหาอันนั้นแปลว่าบริหารไม่เป็นแต่การบริหารเป็นถึงจะหามาได้มากได้น้อยแต่ให้ใช้เหลือแตละวัดอันนั้นแปลว่าผู้บริหารเงินเป็นรู้จักการบริหารรู้จักอนาคตรู้จักวางแผนอนาคตให้ตนเองต่ถาว่าได้มาเท่าไหร่ ใช้ไม่เหลืออันนั้นแปลว่าไม่ได้มองอนาคตชีวิตเบื้องหน้าของเราเนี่ยแปลว่าจะไม่ห่งโรทจะไม่สดใสพูดง่า ย, ายพูดอย่างนั้นได้เลยแต่ถ้าว่าพวกเรารู้จักการบริหารจัด ก, การกับตัวเองแล้วนั่นแหละชีวิตของพวกเราก็จะได้รับความสงบเพราะรู้จักหารู้จักเก็บแล้วก็รู้จกักใช้ เหลือไว้เพื่ออนาคตที่เราจะต้องได้รับผิดชอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต้าหลานเหลีของพวกเราตัวของเราลูกเต้าเราเหลียของตัวเราแต่ทิ้งยังไงก็ตามอย่าให้เก็บจนงกจนไม่รู้จักทำบุญทำทานมีอะไรก็เก็บหมดอันนั้นก็ไม่ถูกมีอะไรใช้ชู่ยช่วยได้เกินไปก็ไม่ถูก อันนี้เขาอไม่ถูกกนะ็คือไม่ไม่ถูกต้องญาติพี่น้องเพื่อนผูงหลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้จักแบ่งปันให้แก่เขาไม่ถูกถ้าใช้รู้สือแช์จนเกินไปไม่ถูกางั้นทำยังไงจึงถูกคือความพอดีอย่างที่ว่ามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแบ่งปันเท่าที่จะแบ่งปันได้อย่าไปขีดตะมีขีดเหนียวจนไม่มี วงสาคนาญาตจนไม่มีมตรเพื่อนมีสหายอันนั้นไม่ดีนะเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะที่จะออกไปสู่ฆราวาสก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นฆราวาสที่ดีนะก็พร้อมกันก็ให้มีศีลธรรมเมื่อเท่าแก่ชรามาเนะมื่อเราไปเป็นฆราวาสแล้วเมื่อสูงอายุขึ้นมาหกสิบเจ็ดสิบพมาแล้วอย่าไปลืมตัวจนเกินไปควรจะถอนตัวนะ ควรจะหันหน้าเข้าสู่คุณงามความดีควรจะหาหนทางบำเพ็ญทานศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์ให้ตนเองอย่าไปหมกมุ่นกับโลกจนเกินไปโลกอย่างนี้อย่างนั้นแหละคาว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราควรจะหาทางสู่มรรคสู่ผลของพวกเรา พวกพวกเราได้เห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วได้ศึกษาแล้วว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่ว่านั้นตายแล้วเกิดอีกใจดวงนี้ดับาพาไปเกิดเพราะฉะนนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่จะไปสู่คารวาะขอให้เจริญเจริญแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาแต่อย่าไปลืมศีลธรรมอย่างที่ผมได้กล่าว ไวแล้วนะวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องที่จะไปสู่ครวาตเพราะวันต่อไปผมว่าผมไม่มีโอกาสที่จะได้พูดแล้วเพราะอีกวันพวกนี้ก็เป็นวันเริ่มงานของพวกเราจากนั้นกับวันออกพรรษาจากนั้นกัวันกรถิน่นจากนั้นกัหมูอ ก, กเพื่อนก็จะได้แยกย้ายกันไปคนละทางกันออกพรรษาแล้วสําหรับภาพเก่าเออเอาอยู่แต่ภาพใหม่ ที่เขามาตั้งอกตั้งใจเขามามาบวชก็จะได้แยกย้ายกับเป็นคราวาสทําการทํางานทําการศึกษาต่อไปนะแต่ถึงยังไงกขอฝากไว้กับทุกหลานทุกๆท่านนะออกไปเป็นคราวาสให้เป็นคนดีอย่าทําให้เสียหายชื่อเสียงตระกูลวงศ์สกุลทําให้เสียชื่อเสียงพ่อแม่อย่าทําให้เสียชื่อเสียง วัดหลวงพ่ออินเพางั้นหลวงพ่ออินสั่งสอนอกอกเช้าออกเย็นพอกลับออกไปไม่กี่วัน เ, เป็นหลังหมีหลังหมาไปหมดขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมไม่มีศีลธรรมในจิตในใจเสยียเลยหลวงพ่อว่าเราก็ามาศึกษาเนี่ยจิบหายล่มจมจิบหายปนปี้ขาดทุนที่สุดสามเดือนที่มาอยู่กินอาหารมื้อเดียวด้วยทุกข์ด้วยลําบากด้วยทั้งลิ้นทั้งยุงกัดด้วย อยู่ด้วยความลำบากออกไปก็ไม่ได้อะไรมีอะไรติดตัวไปด้วยอย่าให้เป็นอย่างนั้นควรจะอยู่ไตรตรองเหตุผลออกไปก็ไปด้วยเหตุด้วยผลการเป็นอยู่ก็ด้วยเหตุด้วยผลเอาธรรมะทำคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็นามาประปรุงกายวาจาใจของเรา หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเชื่อมั่นและเกินว่าถ้าพวกเราเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตามแนวแถวพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแล้วพวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจนถึงอวสานของชีวิตว่างั้นเถอะอ่าอวสานของชีวิตเลยล่ะจะเราพวกเราจะได้รับความเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจการพูดในวันนี้ก็ทุลักทุเล ไฟฟ้าดับทำไมดับก็ไม่รู้เพราะผมพูดแรงเกินไปก็ไมร่รู้ไฟฟ้าดับเลยงั้นแต่เอาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะวันนี้นะ